ข่าบูชานี้เป็นวันสาคันพระพุทธเาเป็นวันพระาาพุทธเจ้าประสูติวันเริ่มพระสรุแล ะ, สะเสด็จสุนิพันธ์เกียรติแผ่ไพศาลช้านานตลอดเวลาวิสาขาบูชา เดือนหกควันเพ็ญพองแสงเดือนของสองนาภาบุดศาสดาใช้ประทรประจําทุกกา การผ่านยุคเค้นเป็นหลัดไทยวิสขาขบูชาน้อมวันทาพุทธคุณโดยพร้อมจิตเจือจุน สร้างผลบุญเกื่อคุนแต่สุนทรทานเป็นศีลพุทธการผ่านยุคเค้นเป็นหลักใจวิสาขบูชานวันธาพุทธคุณโดยพร้อมจิตเจือจุนพุทธศาสตร์ตลอดสมัยประกอบคิตกุศลบน